พระงชาวโปแลนมาสัมภาษณ์แล้วเขาเล่าว่าเนี่ยเขามาเมืองไทยก็อยากจะมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับวัดต่างๆเพราะอยากจะให้คนที่ประเทศ เ, เขาเนี่ยได้เห็นเมืองไทยในะอีกแง่มุมหนึ่งไม่ใช่รู้จักเมืองไทยแต่ในเรื่องที่มันเป็นด้านลบนะเช่นเรื่องแรงเริงลมหรือว่าเรื่องที่ โสเพนีนะที่ใครๆนะก็เข้าใจกันเขาก็มาเยี่ยมวัดนะต่างๆก็ไม่รู้ว่าใครแนะนำเขานะให้มาที่วัดป่าสุกโตแล้วเขาก็เห็นว่าที่วัดเรานะก็มีการปฏิบัติไม่ใช่วัด อ, อย่างในเมืองที่เขาเห็นก็คิดว่าเขาคงจะมี โอกาสได้ทดลองปฏิบัติอยู่บ้างแต่เขาก็อยากจะทำความเข้าใจมากขึ้นเนกะี่ยวเรื่องการปฏิบัติของที่สุกโตนี้เพราะว่าเห็นรูปแบบการปฏิบัติอันนี้แตกต่างจากที่เขาเคยเห็นเคยรู้จักนโดยเพราะการเจริญสติที่เรียกว่าอนาปานาสติ เลยอธิบายเขาฟังนะว่าการปฏิบัติของที่นี่ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันนะแต่ว่าเราให้มีสติอยู่กับอิทยาบาตทำอะไรนะใจก็อยู่กับสิ่งนั้นโดยที่ไม่เน้นเรื่องการหลับตาเขาก็สงสัยนะว่าทำไมการปฏิบัติของที่นี่เนี่ย ไม่มีการหลับตาก็อธิบายเขาฟังว่าเนี่ยการหลับตาเนี่ยนะสารนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยประมุ่งความสงบนะเพราะถ้าเปิดตาก็เห็นเห็นภาพเห็นรูป ก, ก็ทำให้ใจวักแวกได้แต่ว่าการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเราไม่เน้นความสงบโดยเพราะการ พยายามควบคุมบังคับจิตเพราะหลายคนเนี่ยนะเวลามาปฏิบัติเนี่ยโดวยวิธีอื่นเนี่ยนอกจากหลับตาแล้วก็มีวิธีการบังคับจิตให้นิ่งอีกหลายอย่างนะเช่นมีคำบริกรรมอาจจะมีการนับหนึ่งนับสองหรือว่ามีการบริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธพวกนี้เป็นอุบายนะเป็นอุบายเพื่อให้จิตสงบ ถ้าความสงบเนี่ยก็เป็นความมุ่งมา่ปรารถนาของนักปฏิบัติจํานวนมากนะแต่ที่นี่เนี่ยเราไม่ได้เน้นเรื่องความสงบแต่เน้นเรื่องความรู้สึกตัวที่จริงความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าหากว่าทําได้ต่อนเนื่องนะผลที่ตามมาคือความสงบนั่นแหละแต่ไม่ไมใช่เป็นความสงบเพราะบังคับจิตไม่ให้คิด หรือว่าบังคับจิตให้นิ่งที่นี่เราเปิดตาแล้วก็ไม่ได้นั่งนิ่งๆนะเพราะว่าไม่ได้เน้นว่าเนี่ยจิตจะต้องนิ่งแต่ว่าอนุญาตให้จิตเนี่ยนะเขาเออไปไหนมาไหนก็ได้ข้อสงสัยคือว่า ไม่ว่าจิตจะมีอาการอะไรก็ให้รู้ทันหรือบางทีเราก็ใช้คว่ารู้เฉยๆนะรู้รู้รู้ว่าจิตไม่นิ่งหรือรู้ว่าจิตสงบรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะหรือว่ารู้ว่าจิตเนี่ยกำลังผ่อนคลาย เราไม่เน้นกนารบังคับจิตแต่อนุญาตให้จิตเนี่ยเขาเป็นอิสระหน้าที่ของเราคือว่าเรารู้ทุกอาการของจิตหรือทุกความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนะไม่ว่าขึ้นหรือลงบวกหรือลบนะกุศลหรืออกุศลเพราะว่าเพียงแค่รู้นะหรือรู้ทัน ความคิดและอารมณ์เนี่ยมันก็นำไปสู่การปล่อยการวางมันก็ทำให้ไม่มีการเข้าไปยึดนะในความคิดและอารมณ์เหล่านั้นมันก็ทำให้จิตสงบนะเกิดความสงบตามมาได้นะไม่ใช่สงบเพราะนิ่งแต่สงบเพราะรู้ทันเวลามันไม่นิ่งไม่ใช่สงบเพราะว่าไม่มีความหงุดหงิด แต่ว่าเพราะรู้ทันนะเวลามันมีความหงุญหงิดเกิดขึ้นแตทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็หมายความว่าเราอนุญาตให้จิตเนี่ยมันมันคิดมันฟุ้งได้รวมทั้งยอมรับทุกอาการนะที่เกิดขึ้นกับจิตทุกความคิดนะที่มันเกิดขึ้นในใจพอพูดถเขาว่ายอมรับเนี่ยเขาก็มีคำถามขึ้นมาเลยนะว่า ให้ยอมรับเนี่ยนะมันไม่ได้หมายความถึงการนิ่งเฉยหรือถ้าพูดให้มันชัดเจนอนะคือว่าการยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้หรอกเขาบอกว่าเนี่ยก็อธิบายเขาไปว่าเนี่ยการยอมรับเนี่ยนะมันคือการยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก่อนที่เราจะทําอะไรต่อไปเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเหตุการณ์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้มันจากร้ายกลายเป็นดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เรายอมรับความจริงที่เกิดขึ้นก่อนไม่ว่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นภายนอกตัวเราหรือเกิดขึ้นในใจเรานี่พอเรายอมรับแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเราไม่ผักสไม่โวยวายไม่ตีโพลตีพายมันก็ทำให้ จิตเนี่ยมีความปลอดโปรง่งไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ก็หมายความว่าสามารถที่จะคิดอา่านอะไรได้แจ่มชัดว่าควรจะทำอะไรต่อไปคนเราจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีสตินะมีใจที่ปลอดโปรง่งนะไม่ขุนมัวไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้นี่ก็เพราะเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถ้าเกิดว่าของหายเนี่ยนะแล้วเราไม่ยอมรับมันเราก็โวยวายตีโพยตีพายหัวเสียซึ่งนอกจากมันจะทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นแล้วมันก็ยังทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดอ่านได้ชัดว่าเนี่ยควรจะทำอะไรต่อไปหรือเวลาเราจเจ็บป่วยเนี่ยด้วยโรคร้ายเนี่ยถ้าเราไม่เริ่มต้นด้วยการยอมรับ เราเวไตีโหยตีภายมันก็ซ้ำเติมไม่ใช่แค่ป่วยกายเนี่ยป่วยใจหรือทุกข์ใจด้วยและบางทีก็ทำให้หมดอะไรใตา ย, ยากนะเสื้อผ้าหน้าผมไม่สนใจนะไอ้ที่ควรจะทำเพื่อบำบัดโรคภายไข้เจ็บ ก, ก็ไม่ได้ทำหรือบางทีก็ซ้ำเติมให้อาการย่ำแย่ลงลงอย่างคนที่ หมดอะไรตาย อ, อยากกับชีวิตเนี่ยนะเมื่อเราตัวเองเป็นมะเร็งเนี่ยมันยิ่งทาให้อาการความเจ็บปวดนี่รุนแรงมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเรายอมรับมันได้ไอาการหมดอะไรตาย อ, อยากกับชีวิตนะมันก็ไม่เกิดขึ้นแลาก็มีสตนะิที่จะคิดอ่านว่า ควรจะทำอะไรต่อไปจะรักษาอย่างไรผู้ยานกคือว่ามันนอกจากจะไม่ซ้ำเติมความทุกข์ให้กับตัวเราแล้วเนี่ยมันก็ยังทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องจริงๆเนี่ยถ้าจะอธิบายขยายความต่อไปเนี่ย ก็คือการยอมรับเนี่ยนะมันเป็นเรื่องการทำจิตนะพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอน2องอย่างนะเวลาพูดถึงเรื่องการทำเนี่ยคือ 1. ทําทำจิต 2. ทํทำกิจนะาทำจิตเนี่ยนะมันคือเช่นนะการยอมรับหรือการปล่อยวางแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรเลยนะถ้าว่ามันมีเหตุที่จะต้องทำหรือมันมี โอกาสที่จะทำอะไรได้คนไปเข้าใจว่ายอมรับเนี่ยคือการหรือการปล่อยวางคือการปล่อยปละละเลยซึ่งอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาถามยอย่างเช่นอนะ่ะถ้าเกิดว่ามันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยถ้าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นก็แปลว่าเรายิ่งดูดายไม่ทำอะไรเลย อ, อันนี้เนี่ยมันคนละเรื่องนะ ไอการไม่ทำอะไรเลยนะีคือการไม่ทำกิจแต่ว่าสิ่งที่เราเน้นนะเป็นเบื้องต้นคือการรู้จักทำจิตเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นนะเราก็ต้องยอมรับมันก่อนว่ามันเกิดขึ้นแล้วป่วยการที่จะปฏิเสธมันเพราะถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยอาการที่มันเกิดขึ้นคือการปฏิเสธการปฏิเสธแล้วพอสิ่งที่ปฏิเสธสิ่งที่ผักใส่เนี่ยมัน ไม่เป็นดั่งใจก็เกิดความผดถูเกิดความท้อแท้ก็ทำให้นอกจากทำจิตไม่ถูกแล้วก็ยังทำให้เกิดการไม่ทาไม่ทากิจ ด, ด้วยนะอันนี้พอเราทำจิตให้ถูกต้องเนี่ยน ะ, ะเช่นเมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นเราเรกอยากยอมรับมันถึงเวลาที่เราจะทำกิจนะ เราก็รู้ว่าควรจะทำอย่างไรเพราะว่าเรามีสตินะเรามีเรามีใจที่ไม่ขุนมัวมันก็สามารถที่จะคิดอ่านทำอะไรได้แล้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้จักแยกแยกะระหว่างการทำจิตกับการทำกิจนะคนมันเป็นคนละอันกันการยอมรับเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยก็คือการทำจิตนะ พอเราทำจิตแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าเนี่ยเราจะทำกิจอะไรต่อไปได้หรือเปล่าบางอย่างก็ทำไม่ได้นะเช่นคนรักตายจากไปเนี่ยมันก็ต้องทำจิตยอมรับอย่างเดียวหรือปล่อยวางมันทำอะไรไม่ได้มากกว่า น, นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเออเราก็อย่างน้อยเราก็สามารถทำกิจได้เช่นการเยียวยารักษาตวัวเองแต่ก่อนที่ทากิจให้ถูกต้องไดเร็ต้องทาจิตก่อน ก็เนสหรับเวลาเจอเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะอย่างที่บอกนคือเราเริ่มตัวที่การยอมรับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องคิดอ่านว่าควรจะทำอะไรที่ถ้าหว่ามันสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงสาการให้มันดีขึ้นได้เขาตั้งคาถามว่าเนี่ยคนที่สนใจเรื่องการเจริญสติเนี่ยนะจำนวนไม่น้อยเลยนิ่งดูได้นะ ไม่ไม่ทำอะไรเพื่อแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่ถูกต้องนะซึ่งตอนนี้ก็มีเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมหรือว่าการนรัฐเอาเปรียบกันช่องว่างนะหรือความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อเราเจริญสติแล้วเนี่ยเราเห็นปัญหา แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ต้องมาดูว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเกียจคร้านเป็นเพราะหวาดกลัวหรือว่าเป็นเพราะกลัวสูญเสียผลประโยชน์หรือเปล่าถ้าเจริญสถีอย่างถูกต้องมันต้องเห็นตรงนี้เห็นตัวการที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้เราไม่ทำอะไรเลยเพื่อทำให้สาการมันดีขึ้น จดจิอย่างถูกต้องต้องเห็นนะว่าตัวกิเลสที่มันอยู่เบื้องหลังการกระทําที่ทําให้เรานิ่งเฉยเนี่ยมันคืออะไรถ้ามองไม่เห็นนะแล้วปล่อยมันค้องําจิตก็แสดงว่าไม่ได้เจริญสติอย่างถูกต้องมันก็เหมือนกับที่มีคนผู้วันเนี่ยโจมันก็ต้องมีสตินะพวกนักย่องเบามันก็ต้องมีสตินะพวก มือปืนที่คอยอซุ่มยิงคนก็ต้องมีสตินะอันนี้ก็ถูกนะคนเหล่านี้ถ้าเขาไม่มีสตินะใจเขาวอกแวกนะเขาก็ทำการไม่สำเร็จนะแต่ว่าสติที่เขามีเนี่ยมันไม่ใช่สัมมาสตินะเพราะมันเป็นสติที่เพียงแค่กํากับใจให้สงบ ให้แนวแน่อยู่กับสิ่งที่กำลังทำแต่มันไม่ใช่สติที่จะทำให้เห็นตัวกิเลสที่อยู่เบื้องหลังการกระทาซึ่งผิดศีลผิดธรรมโจเนี่ยมันก็ทำการด้วยความโลภหรือว่าผู้ร้ายเนี่ยที่ซุ่มยิงคนก็ทำการด้วยความโกรธด้วยความเกลียดหรืออาจจะด้วยความโลภเพราะว่าได้ข้าจ้างถ้าเขาไม่มีสติเห็น ใหความโลภหรือกิเลสอะไรเรานี่มันก็แสดงว่าเป็นสติที่บกพร่องนะหรือว่าเป็นสติที่เรียกว่ามิจฉาสตินะมันไม่ใช่สัมมาสติเพรฉนั้นถ้าถ้าเถ้าเจริญสติอย่างถูกต้องเนี่ยแล้วคนที่มีสติจริงเนี่ยนะให้เวลาเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะจริงอยู่นะมันต้องยอมรับว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าขั้นต่อไปคือว่าต้องลงมือทํา ไอการยอมรับว่ามันมีอะไรว่ามันมีว่ามันคือความเจรที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการทําจิตนะส่วนการแก้ไขลงมือทำมันคือการทํากิจนะต้องแยกกันแล้วก็ในการจดสติเนี่ยนะอย่างที่บอกนัคือมันคือการที่เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจไม่ว่ามันมีความคิดหรืออารมณ์ใดๆเกิดขึ้น มีความโกรธก็ไม่ผักใสความโกรธนั้นมีความฟุ้งซ่านก็ยอมรับไม่ผักใสกดข่มความคิดฟุ้งซ่านนั้นอย่างนี้ที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ารู้ซื่อๆนะไอ้ควาว่ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยมันก็เป็นอันเดียวกับการยอมรับนะรู้ซื่อๆคือว่าเนี่ยโกรธก็รู้นะฟุ้งก็รู้ สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้มันเป็นการรู้โดยที่ไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลาตามเช่นเวลามีอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นก็รู้นะโดยไม่ผักใสมีความโกรธเกิดขึ้นมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นก็รู้แต่ไม่ไปผักใสกดข่มมันมีความสงบเกิดขึ้นก็รู้แต่ไม่ได้ไปเคลิ้มคล้อยกับความสงบนะจนติดสงบ น, นี่คือคือหลักการการเจริญสตินะของที่นี่เนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยซนะึ่งจริงมันก็เป็นหลักการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน4อยู่แล้วก็คือว่าไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับกายและใจก็แค่รู้เฉยๆนะมันมีเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา พอถ้าไม่รู้นะมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นพอมาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ผักใสนะผลคืออะไรก็คือว่าไม่ใช่แค่กายทุกข์อย่างเดียวใจก็ทุกข์ด้วยนะเวลามีความโกรธเกิดขึ้นผักไสมันสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือยิ่งไปจมอยู่ในความโกรธมากขึ้นก็อธิบายเขาฟังนะว่าถ้า การของสติเนี่ยสติเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มกันจิตนะสตินี่เปรียบเหมือนกับนายทวารบาลหรือยามที่เฝ้าประตูเมืองเมืองในที่นี้ก็คือจิตตนครสตินี่รักษาใจนะไม่ให้ทุกข์ด้วยวิธีอะไรนะด้วยวิธี ป้องกันไม่ให้ความโกรธความเกลียดความทุกข์เข้ามาข้องงำจิตทำอย่างไรนะก็แค่รู้ทันนะแค่รู้ทันว่ามันมีกิเลสเกิดขึ้นมันมีความโกรธเกิดขึ้นมันมีความเศร้าเกิดขึ้นการรู้ทันเนี่ยมันมีอนุภาพนะเพราะว่าถ้าเข้าไปกดกดข่มมันถ้าไม่รู้ทันแต่เข้าไปกดข่มมันไปรมรัพันตัวกับมัน ก็เท่ากับว่าตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์หรือความทุกข์เหล่านี้ยิ่งผักใสนีก็ยิ่งยึดติดนะมันเหมือนกับขาเนี่ยที่ติดบ่วงเนี่ยเวลาขาติดบ่วงนะถ้าเรายิ่งพยายามดึงนะพยายามที่จะสลัดให้หลุดนะบ่วงมันยิ่งรัดแน่นถ้าเราในการเวลาเรารับมือกับอารมณ์เนี่ยความโกรธ ก, ก็ดีความเศร้าก็ดีถ้าเราไปสู้กับมัน เราก็ยิ่งยึดติดนะตกอยู่ในอำนาจของมันเป็นการต่ออายุเป็นการเติมพลังให้มันลองสังเกตดูนะเวลาเราโกรธเราพยายามกดข่มความโกรธไ้เนี่ยมันยิ่งโกรธมาจะหลบในประเดี๋ยวเดียวแล้วพอเผอ ม, มันก็อารวาสขึ้นมาหรือเวลามีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดยิ่งห้ามมันยิ่งคิดนะมันเป็นธรรมชาติของจิตเลยยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุ เขาเคยมีการทดลองนะให้คนเนี่ยมานั่งอยู่ในห้องคนเดียวนะแล้วก็มีหลายคนนั่งคนละห้องคนละห้องคนละห้องแล้วทุกคนได้คำสั่งนะว่าจะคิดอะไรก็คิดได้นะแต่ห้ามคิดถึงมีขาวถ้าใครคิดถึงหมีขาวนีให้กดเปลี่ยนเลยนะพราะว่าสั่งไม่ทันลายเลยนะพอปิดห้องนี่ประเดี๋ยวเดียวเนี่ยคนกดกปลี่ยนกันใหญ่เลย เพราะอะไรพ่นะพคิดถึงผีขาวทำไมถึงคิดเพราะว่าถูกห้ามไม่ให้คิดพอห้ามคิดมันก็เลยยิ่งคิดใหญ่เลยถ้าไม่ห้ามมันก็ไม่คิดนะไอ้ผีขาวนี่ใครจไปคิดถึงมีขาวนะแต่พอห้ามคิดถึงมีขาวนี่มันจะคิดขึ้นมาทันทีเลยอันนี้ถ้ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งอยู่นะแล้วมันไม่ใช่แค่ความเพียงดี่อารมณ์เหมือนกันนะไหลาตามอารมณ์ ทำตามอารมณ์ก็เท่ากับเป็นการเติมเพิ่มพลังให้มันแต่ถ้าเราไปไปกดไปข่มมันนะก็เป็นการตกอยู่ในอำนาจของมันเหมือนกั น, นและธรรมชาติของอารมณ์นี่มันก็ชอบยั่วนะยั่วให้เราเข้าไปโลมรันพันตูกับมันถ้าเราหลงเชื่อมันนะเราก็ตกอยู่ในอำนาจของมั น, นเรียกว่า เข้าล็อกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนจะพบว่าเวลาเจริญสติเนี่ยแล้วก็แค่ดูเฉยๆรู้ซื่อๆเนี่ยโอ้มันทำยากนะมันอดไม่ได้นะที่จะเข้าไปกดขม่มผักสายความคิดและอารมณ์นะยิ่งอยากหรือปรารถนาความสงบเนี่ยยิ่งทนไม่ได้นะกับความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นยิ่งไปกดขม่มมัน ยิ่งกดคมมันก็ยิ่งฟุง้งและยิ่งหงุดหงิดที่ทำไม่สำเร็จหลายคนพอทมไป่อไปเนี่ยนะก็จะท้อเพราะว่ายิ่งกดคมมันยิ่งพยายามห้ามจิตไม่ให้คิดมันกลับยิ่งคิดเลยท้อหรือถ้าไม่ท้อก็หงุดหงิดมากขึ้นนะ บางคนเนี่ยโมโหนยะเอาหัวนี่ขกเสาเลยทำไมมันคิดมากเหลือเกินคิดมากเหลือเกินบางคนก็เอารองเท้าแตะฟาดหัวทำไมมันคิดมากเหลือเกินลืมตัวเลยนะทั้งที่เวลาไม่ปฏิบัตินี่ก็ไม่ลืมตัวขนาดนั้นแต่พอปฏิบัตินี่ทาไมลืมตัวก็ พ, พยายามบังคับความคิดไม่ให้มันคิดเพราะอยากให้จิตมันสงบแต่จิตมันยิ่งไม่สงบนะแะหลายคนนี่ก็หน้ามืดนะ ปวดหัวแน่นหน้าอกนะไอ้ที่ทำนะก็ทำด้วยความทุกข์แนละหลายคนก็ทนความทุกข์ไม่มาก็เลิกนะทำได้ห้าทีสมาธก็เลิกนี่เพราะไม่รู้จักนะวิธนะียอมรับมันหรือว่ารู้ส่อๆนะแต่ก็ไปสู้กับมันนะ งอารมณ์พวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งเลวร้ายนะอยู่ที่ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างไรความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ยมันดีนะถ้าว่ารู้ทันมันอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยนะว่าพูดถึงคำสอนหรือว่า เ, เขียนว่าการปฏิบัติหรือการเจริญสติไม่มีคำว่าล้มเหลว แม้ใจไม่สงบเนี่ยก็ไม่ถือว่าล้มเหลวเพราะว่าไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบมาไม่สงบก็จริงแต่ก็รู้ว่าไม่สงบได้ตัวรู้นะนะได้ตัวรู้เพิ่มมาหนึ่งตัวมันมีแต่รู้มันมีแต่รู้รู้เพิ่มขึ้นรู้เพิ่มขึ้นแม้ว่ามันจะมีความคิดฟุ้งซ่านแม้มันจะมีความหงุดหงิดแต่นั่นไม่ใช่ความล้มเหลวเพราะว่า ได้รู้เพิ่มมากขึ้นให้ในการปฏิบัติการจนสติเนี่ยอะไรเกิดขึ้นไม่สํากันเท่ากับว่าเราปฏิบัติกำมันอย่างไรอย่าไปคิดว่าไอ้ความฟุ้งซ่านไม่ดีอย่าไปคิดว่าความหงุดหงิดไม่ดีนะมันดีถ้าเกิดว่าเรารู้จักใช้มันใช้มันเป็นอุปกรณ์ในการฝึกจิตในการสร้างตัวรู้ ถ้มีผู้รู้เขาแนะนำนะว่าเนี่ยอารมณ์พวกนี้เนี่ยนะให้เรามองมันเหมือนกับช่างหม้อเนี่ยมองหรือปฏิบัติกับดินเหนียวน ะ, ะช่างหม้อเนี่ยหรือช่างทำหม้อเนี่ยดินเหนียวไม่เป็นปัญหาดินเหนียวคือวัตถุดิบที่จะแต่งหม้อที่จะปั้นหม้อให้เป็นอะไรก็ได้อารมณ์ความคิดต่างๆก็เหมือนกันนะ ที่มันเกิดขึ้นในใจให้เรามอมันคือวัตถุดิบมันคืออุปกรณ์ที่เราสามารถจะเสกสร้างปั้นแต่งให้มันเกิดสิ่งดีงามขึ้นมาได้สิ่งดีงามนี่ก็คือการมีสติมีความสึกตัวเพราะฉะนั้นอะไรเนี่ยเกิดขึ้นกับใจไม่สำคัญทักว่าเราปฏิบัติกับมันอย่างไรมีความสงบเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีสติเราไปหลงยึตความสงบนั้นกลายเป็นคนติดสงบมันก็เกิดโทษนะ นะับปฏิบัติจํานวนมากพอติดสงบแล้วกายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายหัวเสียง่ายเวลามีเสียงมากระทบเวลามีคนพูดเสียงดังอันนี้เพราะว่าปฏิบัติกับความสงบไม่ถูกต้องแต่เวลาเจอความฟุ่งซ่านถ้าปฏิบัติถูกต้องนะเออมันได้ตัวรู้นะแม่หลวงพ่อเทียนนบอกว่าอย่าไปห้ามคิดนะอย่าไปห้ามคิดแต่ถ้าปฏิบัติถูกนะยิ่งคิดมันยิ่งรู้นะคือรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คื อ, อ เพื่เพราะว่าทําไมเนี่ยการปฏิบัติแบบลูกวัดเทียนเนี่ยไม่ได้ปิดตาไม่ได้ทําให้อยู่นิ่งๆเพราะว่าถ้าปิดตาแล้วเนี่ยความสงบเกิดขึ้นก็จะทําทให้จิตสงบแล้วก็อย่างที่บอกคือไม่ได้เน้นการบังคับจิตนะไม่ได้เน้นที่การกล่อมจิตให้สงบแต่เน้นที่จะให้รู้รู้สึกตัวแล้วก็รู้ทันความคิดรู้ทันทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะความรู้สึกตัวหรือการรู้ทันเนี่ยมันคือสิ่งที่ช่วยทําให้เรา เป็นอิสระจากความความทุกข์และอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ได้อย่างแท้จริง